สิกขาบทที่9เรื่องพระชัพพคี594สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสุิ์ชัพพักีเดินโครงศีรษะทำขอพับไปในละแวกบ้านพระบัญญัติเกเพิ่งทำความสำเนียกว่าเราจะไม่เดินโครงศีรษะไปในละแวกบ้านเรื่องพระชพคีจบสิกขาบทวิพัง ภิกษุไม่พึงเดินโครงศีรษะไปพึงเดินประคองศีรษะไปในละแวกบ้านภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อเดินโครงศีรษะทำคอพับไปในละแวกบ้านต้องอบัติทุปกดอนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ 1. นภิกษุไม่จงใจ2อภิกษุไม่มีสติ3าภิกษุผู้ไม่รู้4ีภิกษุผู้เป็นไข้5้ภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง6กภิกษุวิกลจริตเจ็ภิกษุต้นบัญญัติสิกขาบทที่9จบ